สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปซู ต, ตอนที่467ของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่11พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับต้องอดทนฟังเสียงที่อู้อี้ของผมสักเล็กน้อยเพราะเนื่องจากว่าผมมีอาการหวัดครับแต่ยังไงก็ตามพระเจ้าก็ยังประทานกำลังที่เพียงพอในการที่จะแบ่งปันพระวจนะให้กับพี่น้อง นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าผมขอขอบพระคุณพระเจ้ามาอย่างนีที่นี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้หัวข้อที่จะแบ่งปันก็เกี่ยวกับเรื่องของของประทานฝ่ายพึ่งยามบริสุทธิ์ก็คือข้อควรระวังในการใช้ของประทานมีเหตุผลสองประการนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังในการใช้ของประทานประการแรกก็คือของประทานนั้นมีไว้เพื่อการเสริมสร้างพระวรกายครับในพระคัมภีร์ใหม่เราจะเห็นครับว่า วัตถุประสงค์ของของวัตถานที่พระเจ้าประทานมานั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างเสริมสร้างผู้อื่นนะครับคําว่าสร้างนั้นมีความหมายว่าเป็นการสร้างชีวิตเปรียบเทียบกับหลักภาษาก็คือสร้างบ้านสร้างเมืองครับสร้างสารธรรมสร้างสถานที่ที่ยิ่งใหญ่จานวนวัวหานนี้พระเยซูก็ทรงใช้ด้วยเหมือนกันครับคําว่าสร้างพระเยซูใช้กับคริสตจักรครับ เปลสูตรจัดไว้ในมรทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้เห็นไหมครับพี่น้องครับอักขรูเปาโลก็ใช้คําว่าสร้างเหมือนกันและอักขรูเปาโลเขียนว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นตึกของพระองค์เี่ยเหมือนศิลาที่มีชีวิตซึ่งกําลังก่อขึ้นเป็นพนิเวศฝ่ายวิญญาณอันนี้เปโตก็ใช้เหมือนกันครับเราพบในอัคขรูเปาโลในหนึ่งโกลิมบทที่3ข้อ9นะครับอักขรูปเปโต หนึ่งเป็นตัวบทที่สองก็ห้าจแสดงว่าการสร้างนี้นะครับก็คือการก่อร่างสร้างชีวิตคริสเตียนและคริสจักรนะครับเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับคริสเตียนเสริมสร้างคริสจักรคริสจักรเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนและในพระธรรมลูการะครับก็บันทึกเช่นเดียวกันครับคําว่าสร้างขึ้นนะครับและอครลูเปาโลเขียนว่าที่ตนเคยรับการแต่งตั้งเป็นอัครทูตเพื่อเสริมสร้างท่านทั้งหลาย พื่อนครับคำว่าสร้างเนี่ยมีเยอะแยะมากมายในพระคัมภีร์นะครับหมายความถึงการเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนจะต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกันและจะถามนะครับว่าอะไรเสริมสร้างขึ้นอย่างมากที่สุดเปาโลก็จะตอบว่าความจริงและความรักนะครับคําตอบอยู่ในกิจการบทที่ยี่สิบข้อสามสองครับความรักอยู่ในหนึ่งโครินบทที่แปดข้อหนึ่ง ถ้าพี่น้องเปรียบเทียบกันนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าถ้าเราจะสร้างคดจกักเราต้องใช้ความจริงและความรักสองอย่างนะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสี่ก็เน้นเหมือนกันครับให้เสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเน้นว่าผู้เผยพระเจ้นานั้นไม่เพียงแจกกล่าวคําที่ทําให้มนุษย์จเจริญขึ้นในการประชามในการประชุมทุกสิ่งควรกระทําเพื่อเสริมสร้างกันและกัให้จเจริญขึ้นชัดเจนครับจงอุตสาห์ทาตนให้สามารถที่จะทําให้คด จ, กจักเจริญขึ้นนะครับชัดเจนมากครับ และเมื่อคํานึงถึงประเด็นย้ํามากๆของพระกัมพีร์ใหม่เกี่ยวกับการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ที่พวกเรานั้นจะต้องปฏิบัติต่อกันและกันปฏิบัติต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อข้าราชกรครับจะว่าไงครับจับข้อยกเว้นก็คือว่าถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่เสริมสร้างเราควรหยุดทําครับเพราะว่าการสร้างคือซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดพี่น้องครับหลายๆครั้ง เรามุ่งเน้นงานทางกายภาพนะครับงานที่จับต้องได้แต่การเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจุญญานั้นเราได้ละเลยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเราจะต้องกลับใจเสียมันประการที่สองครับข้อสังเกตก็ควรระวังก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจความหมายคําว่าเสริมสร้างโดยคํานึงถึงคําสอนที่พิจารณา ไ, ไปแล้วว่าของประทานฝ่ายจุญญานทุกอย่างนั้นล้วนแต่เป็นของประทานที่เสริมสร้างนะครับการใช้ของประทาน อย่างไม่สร้างสรรค์หรือไม่เสริมสร้างหรือการใช้ของประทานที่นํามาซึ่งการแตกแยกนะครับ <c oughs> เราไม่ควรที่จะใช้ี่ครับเราต้องหลีกเลี่ยงความแตกแยกนะครับของประทานที่ประทานมาให้เรารับใช้ซึ่งกันและกันนั้นให้เพื่อเป็นคุณประโยชน์ร่วมกันครับพรมผี่พูดชัดเจนให้เพื่อการปฏิบัติรับใช้คนอื่นเพราะฉะนั้นหากมีของประทานบางอย่างที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อที่จะยกย่องตัวเองต้องระวังครับเราต้องระวังที่จะไม่กลายเป็นกลายเป็นเครื่องมือนะครับของคนที่ใช้ของประฐานในทางที่ผิดนะฮะคริสเตียนซึ่มีของประทานด้านการสอนเอาแต่สอนตัวเองไม่เคยสอนคนอื่นเลยหรือผู้ที่มีของประทานด้านการรักษาโรคก็เอาแต่รักษาตัวเองไม่ยอมรักษาใครคนอื่นเลยหรือบางครั้งการทํางานอะไรต่างๆเหล่านี้เ e พื่อยกย่องตัวเองไม่เคยให้เกียรติคนอื่นเลย พี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับต้องหลีกเลี่ยงและผมเชื่อว่าโดยพ่ออย่างยิ่งเมื่อของประทานที่พระเจ้าให้เรามาแต่ละคนนั้นให้มาเพื่อคุณประโยชน์ของคนอื่นครับพี่น้องครับด้วยเหตุผลสองประการนี้ข้อควรระวังทั้งสองนี้ทําให้รู้สึกว่ า, าพรามุทีนั้นพูดชัดเจนนะครับเมื่อท่อานอัครปาโลพูดกระทบกระทั่งในเชิงของการในเชิงวโรหารนั้น ท่านเขียนว่าผู้ที่พูดภาษา แ, แปลกๆทําให้ตัวเองเจริญฝ่ายเดียวอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับท่านอะคาลูบารโลคงถือว่าคริสเตียนชาวเมืองโคลินนั้นเข้าใจในัยยะของท่านไม่ต้องขยายความมากกว่านี้หมายความว่าอย่างครับหมายความว่าหากจะใช้ของประธานแม้ว่าจะเป็นการพูดภาษปาแปลกๆก็ตามจะต้องให้คนอื่นจเจริญได้ด้วยนะครับสรุปได้ว่าของประธานฝ่า ย, ายวิญญาณทุกอย่าง ล้วนส่งให้มาเพื่อคุณนําประโยชน์ร่วมกันในเวซัสสโกที่สีข้อสิบเอดสบสองนะครับอคาทูปาโลนําหลักการนี้มาใช้กับของประธานด้านการสอนพระคิดทรงโปรดให้บางคนเป็นอคาทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่เก่าประเสริฐบางคนเป็นศีรษานบางคนเป็นอาจารย์พระเจ้าประธานมาเพื่ออะไรครับพระเจ้าประธานทำทำไมครับอคาทูปาโลตอบว่า เพื่อเตรียมทำมิจฉุนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างทัศกายของพระคริสต์ให้จมลนขึ้นวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนําคริสเตียนนะครับไม่เพียงแต่เสริมสร้างขึ้นแต่ต้องพระวรกายนะครับก็คือหมายถึงว่าคริสเตียนทั้งหลายทั้งมวลได้ดการเสริมสร้างขึ้นนะครับเราต่างคนต่างก็รู้นะครับว่าอิทธิพล ซึ่งความรักมีต่อการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กนั้นมีความจำเป็นมากความรักมีผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กนะครับเช่นเดียวกันครับในครอบครัวของพระเจ้าสำหรับลูกของพระเจ้าความรักก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นจึงมีพระคัมภีร์หรือพระธรรมหนึ่งโคเรนสิบสามสอดแทรกเข้ามาระหว่างบทที่สิบสองกับบทที่สิบสี่ครับ เพราะเหตุที่ว่าด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นของประทานแห่งพระวิญญาณทุกอย่างล้วนให้มาเพื่อนกันรับใช้หากขาดไว้ซึ่งความรักที่จะเชื่อมนะครับก็ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นการเสริมสร้างพระบวร ก, กายของมคฤีนั้นต้องใช้ของมระทานด้วยความรักครับหากจะให้บรรลุผลดังที่ตั้งใจไว้เพราะว่าเมื่อไหรก็ตามที่ปราศจากความรักหรือไม่มีความรักหรือขาดความรักของประทานทั้งปวงไม่ว่าจะหน้าหวหวาฮือฮาขนาดไหน ก็ไม่มีคุณค่าสิ่งนี้บันทึกไว้อยู่ในบทที่สิบสามข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามครับเหมือนกับสิ่งเหมือนกับฉาบที่ส่งเสียงอย่างเดียวเหตุฉะนั้นความรักจึงยังเป็นหนทางที่ประเสริฐกว่าทรงคุณค่า ย, ยิ่งกว่าแม้ของประชาระที่สูงส่งขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่ควรที่จะต้องเลือกระหว่างของประชารและความรักนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกทั้งสองอย่าง แต่ขาดความรักไม่ได้ตามเป้าหมายของพระเจ้านั้นต้องมีกันและกันครับรักแท้มักแสดงออกด้วยการรับใช้และเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการใช้ของประทานที่พระเจ้าให้กับเราจะต้องใช้บวกกับความรักเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเห็นนะครับห่วงสามห่วงครับวงกลมสามวงกลมที่มาทาบกันนะครับวงกลมแรกคือความจริงวงกลมที่สองคือการรับใช้นะครับ วงกลมที่สามคือของปัะทานนะครับความจริงการรับใช้และของปัะทานเป็นวงกลมแต่ละวงกรมนั้นก็เคลื่อนตัวเข้าหากันครับแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าเป็น intersection ก็คือการตัดกันของทั้งสามวงกลมนะครับพื้นที่หรือ area ที่ตัดกันนั่นแหละครับระบายสีเข้าไปได้เลยครับว่านั่นคือความรักพี่น้องครับเราจะเห็นสามห่วงนะครับคล้องกันนะครับแต่ละวง แต่และวงแต่และวงสามห่วงค้อมกันนะครับความจริงห่วง 1, หนึ่งวงกลมหนึ่งนะครับการรับใช้ห่วง 1, หนึ่งวงกลมหนึ่งครับของประธานห่วงหนึ่งวงกลมหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอาทั้งสามวงเนี่ยนะครับเคลื่อนเข้าหากันครับมันก็จะทับกันและบริเวณที่ทับกันนี่แหละครับเรียกว่าความรักทีนึงครับจึงมีสี่ประการด้วยกันครับความจริงการรับใช้ของประธานและเชื่อมกันด้วยความรัก คือเซียนเราต้องมีสีด้านในชีวิตของเราประกอบกันนะครับไม่อาจตัดทอนได้ทั้งสี่อย่างนี้คือความรักความจริงของมระธานละการรับใช้นั้นจะต้องจะต้องอยู่ร่วมกันครับแต่และอย่างต้องเกี่ยวโยงกันและความรักนั้นใหญ่ที่สุดขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะใช้ของมระธานในการรับใช้พระเจ้านะครับด้วยพระชนะซึ่งเป็นความจริง และมีความรักปกคลุมอยู่ในทุกๆอนุของทั้งสามส่วนนี้อาเมน